อะไมันจะตึงจะหย่อนนะครับตรงนั้นอ่ะไอ้ที่ว่ามันตรึงไปนี่ก็เรื่อไอ้เกิดขึ้นความคิดของเราหนิเี่ยไอ้ที่ว่ามันหย่อนไปเกิดจากความคิดของเรานี่ถ้าเราคิดว่าไม่มีอะไรมันจะตึงอะไรมันจะหย่อนไป แ, แล้วอย่างสุขกับทุกข์นี่ครับถ้ามันเกิดขึ้นมานี่ยแล้วก็ชอบสุขนี่ครับนะยินดีในสุขเราคิดเรามันดีแล้วมันสุขนะไอ้ความเป็นจริงน่ะไอเรื่องสุขนั้นน่ะถ้าคิดเช่นนั้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกัน ไอ้สุขไม่ใช่ของมันจะดีนะไม่ใช่เป็นศัจธรรมนะเนี่แต่สุขมันพุกแต่ท่านให้รู้จักนะไม่ใช่ว่ามาให้รู้จักสุขนะแต่ท่านให้รู้จักสุขอย่าไปเมาสุขทุกข์นี่มันก็มีอยู่แต่ท่านให้รู้จักทุกอย่าไปตะคุกมันลอยสุขกระทบมันลอยอยู่ตามเรื่องของมันอยังไงเลยเราจะไปวิ่งตามมันดีแล้วแต่เราให้รู้มันอย่างนั้นที่ว่าอยู่ในป่าอย่างนี้น่ะดีแล้วมันสงบนี่นะ มันสงบเพราะมันถูกใจเราไม่มีใครกวนเราเนี่ยอันนี้หรือมันเป็นธรรมะถ้าหากว่ามีอะไรมากวนขึ้นเราไม่สงบมันจะเป็นไงล่ะไอ้ความไม่ไอ้ความโมโอมันจึงขึ้นในเวลานั้นคมจริงบอกว่าไอ้จริงทั้งร้ายแล้วเนี่ยอ่ามันจะเป็นสุขให้เรารับร่าอันนี้มันสุขสุขนี้เป็นสุขแล้วให้เรารู้ว่าถึงความจริงของสุข คืออย่าไปยึดมันถือมันมันแต่อย่าปล่อยมันให้รู้มันรู้แล้วอย่าไปตามมันจนลืมตัวอย่าเมาผมว่ารู้ความสุขนี่ด้วยปัญญาไอ้ทุกข์เกิดขึ้นมาไอ้จริงที่ไม่ชอบของขนในโลกนั่นมันก็เป็นของมันอยู่แต่ความเป็นจริงทุกข์ที่มาเกิดขึ้นมานั้นมันก็เป็นการจะทานะ บางคนทุกจะเกิดขึ้นมาไม่ยอมจะรู้จักมันอันนั่นคือคนนี้ทุกโดยทางที่ว่าไม่มีปัญญาพวกยังผมไม่ลเล่ครับไม่ค่อยจะขับไปในเวงในนาเขาอยู่ในป่ามันสงบดี่ลองสินี่จะมันจะถูกไหมนี่ถ้าเราไปเมาบันสีนี่ <c oughs> ไอความสงบนี่แหละมันเป็นพิษแล้วล่ะนี่เห็นปะไอเรื่องสงบเนี่ยหูเรามันไกลาจากเสียงจมูกเรามันไกลาจากกลิ่นกลิ่นมันไกลาจากรถ โกดระเนี่ยกายมันกายถึือกายจากกดระะทั้งหลายนีมันสงบดีะนะอันนี้เราอยู่อย่างนั้นนะคะ่ะเรียกว่ามันอยู่เฉยๆสงบสงบโดยทางที่โง่เองอ ม, มันโง่ครับมันโง่อืถ้าหากว่ามีใครมาพูดอะไรแล้วก็สบายอยู่ได้ถ้าหากมคนมาพูดอะไรขึ้นไปมันจะเป็นไงไหมอย่างนี้ครับเราจะต้องคิดว่าอย่างนี้ผมว่านะอ่า คนเราทั้งหลายก่อนึกว่ามันมาไยสิ่งทางหลายมันกวนเราทั้งนั้นเนี่ยอย่างเราจะอยู่ในที่สงบอย่างนี้นั่งสมาธิอยู่เดี๋ยวนี้เน่ะถ้ามีเสียงดนตีเกิดขึ้นมาเราก็นึกในใจอันนี้มันกวนเราเนี่ยอันนี้มันกวนเรานะแล้วคนนี้มันไปฮะนี่มันไปเรื่อยๆไปถ้ามันมีเสียงเะไรอันนั้นมันกวนเราเนี่ยอันนี้เพราะมันผิดมันผิดสองร้อยเปเซ็นต์เนี่ยถ้าเรามาย้อนกับพี่ว่า อีกทีหนึ่งเราจะมาคิดว่าอันเรามาไงเขามากวนเราหรือเราไปกวนเขานี่มันจะชัดขึ้นรบนีครับเนี่ยใช่ไหมตรงนี้เราตรงสู้แล้วครับออืมไอเรามันไปกวนเขากงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราเ น, นี่ยมันก็เมาเต็มที่มันแหละครับนะอย่างนั้นพระธรรมความสงบทําทําขึ้นมาแล้วให้มันสงบเลยอย่าไปเมามาันถ้าเมาความสงบแล้วเป็นต้นมันก็ลืมตัว มันก็มาไปมาเรื่องวุ่นวายเหมือนกันถ้าสุขเกิดขึ้นมาก็ดีใจส่วนเป็นคนโง่นะถ้าทุกข์เกิดขึ้น ม, มันก็ทุกข์จนเกินไปอีกแหละครับเพราะว่าไม่เป็นสมาปฏิปทาคมันจะถึงมันจะหย่อนมันอยู่ตรงนี้ครับไม่จะอยู่ที่ไหนแต่ค่ายบายไอ้โลกที่มันอยู่เราอยู่กันเดียวนี่แหละครับมันจะมั่เสมอแล้วแก่บุคคลที่มีปัญญานะพระพุทธเจ้าประกาศสรู้ในโรคนี้ เรกวิตูรู้แจ้งสึ่งโลกนี้ก็ร <_ C os al> ู้ในเวลานี้ครับแล้วเพราะไม่ได้ถือว่าเอออันนี้เราถูกคนนั่นผิดไม่ได้ถืออย่างนั้นไอ้รตรงนี้มันสุขเราควรจะเอาตรงนั้นมันถูกคนจะปล่อยมันในทางที่ถูกมันจะปล่อยทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะแหละไอ้รเรื่องสุขเรื่องทุกข์มันไม่ใช่ความสุขมันไะม่ใช่ถูกทางมันไม่ใช่ความสง บ, บสุขมันก็ไม่มม ส, งสงบทุกข์มันก็ไม่สงบความที่สงบที่แท้จริงนั่นน่ะมันต้องปล่อยสุขทุกข์ปล่อยดูที่ไม่รู้มันที่ปล่อยดูที่รู้มัน ต้องรู้จักมันทีต้องรู้จักทุกติดสุขตรงประสบกับมันทีทุกก็ต้องประสบกับมันดีครับมันจะรู้สิ่งทั้งสองนี้ถ้ารู้สิ่งทั้งสองนี้จะจนกว้างนะมันวางแล้วครับเป็นปกติละกันมันเป็นใจไปสุขขึ้นมาแล้วก็รู้มันเอออันนี้มันอย่างเนี้ยทุกเกิดขึ้นมาว่าอันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ของมันอย่างนี้เนี่ยอ่มันเกิดเป็นเรื่องของใครของมันเขานั่นแหละครับสุขมันก็รูบขึ้นมาหนึ่งก็หายไปทุกมันพูปขึ้นมา สักว่าอารมณ์เดียวก็เป็นไปเท่าน <an> ั้นันก็ไม่ม <arian> <an> ีอะไรมากไปกว่านั้นนี่เรื่องมันจะตึงจะย่อนก่อพระเจ้าแผ่นประเทศได้ฟังเลยนะเทศได้ฟังเลยกามืองสุพรรนิการนิยโออัตตะกิรมาถานิยมโอท่านทาเลยครับเพราะอันนี้เนีมันตามไล่ท่านอยู่ไม่หยุดนะเมื่อท่านโผล่มาท่านประเทศตรงนี้เลยครับะเทศตรงนี้เลยนี่อเราจะไปอยู่ที่ไหนครับอรูติผมว่าถ้ามันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีที่ปฏิบัติ อันนี้จะต้องเตรียมตัวนี่แต่ว่าอย่าให้เมา <pasa. S 1> อยู่ในป่าก็อย่าเมาในปา่าอยู่ในเมืองก็อย่าเมาในเมือง <c oughs> อยู่คนหมู่มากก็อย่าเมาคนมากอยู่คนหมู่น้อยก็อย่าให้มันเมาในคนหมู่น้อยครับให้มันรู้จักมากแต่มันรู้จักน้อยไมนรู้จักสุขจากทุกข์ตามความจริงแล้วนะเพะะนันก็ถอนออกมาเท่า น, นั้นเองครับ <c oughs> แล้วก็ปล่อยไว้ให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันอย่างนั้นเน่ยผมคิดว่าถ้าไม่เรือนตรงนี้ไม่ได้หรอกให้คนนั้นเคร่งไปที่ไอ้ตึงไปอะไร มันมันเพ่งมันถึงมันมันจะไม่ถูกตามเรื่องมันนดียวครับมันไม่สม่ำเสมอแล้วครับไอเรื่องที่มันสม่ำเสมอเนี่ยว่ามีความรู้ตามความเป็นจริงมันอยู่อย่างนั้เท่านั้นเนี่ยครับไม่มีอะไรถ้าเรารู้เรื่องตื่นทางลายโดยนี่โดยไอความละเอียดอ่ออแล้วก็ไม่ไปจับมันแล้วครับไม่ไปตะคุบมันละอ่ถึงแม้อะไอสัตว์ต่างๆไปตะคุบมันดูสิครับไปจับหางว่ประกาดไปจับหามันไม่วางว่าประกาดเห็านั้นเนี่ยมันไม่อยู่ต้องปล่อยมันต้องรู้มันจ้ะ ทางิงทงางไลแล้วรู้มันแล้วมันอก็ไม่มีอะไรแต่เมั่อก่อนถึงมีเมื่อก่อนเปเดี่ยวกันมันเป็นคนในอย่างอยู่ผมอาจจะไปหาอยูที่ไหนตัวใหนอกจากปัญญานี้ที่ไหนไม่ได้สรับหนีความวุ่นวายนี้ไม่ได้ถ้านอกจากหนีด้วยปัญญาแค่เขาหยุดไปอยู่ในป่ายอย่างผมนัึกว่าผมหนีจากอทุกข์หรือไม่ครับถ้าไม่รู้มันก็มาหาทศิศนั้นเนี่ผมไม่ถือว่าอะไรแต่ว่าธรรมดาสมณะผู้ประพฤต ปฏิบัดโดยตรงอยู่แล้วก็ออยู่ได้เมื่อมีเหตุที่ท่านจะต้องอยู่ที่นี่ท่านจะอยู่ได้ครับไม่มีถ้าท่านจะอยู่แต่ชะมนาของเราเป็นผู้หาความสงบต้องพยายามหาที่สงบอยู่เป็นพื้นเออถ้ากว่าเราอยากยินจุดเมรื่องไม้ยินเสียงเสียงเราก็ยังมีอยู่นะอเมื่อได้ยินเสียงรถเราไปเราก็อยากนั่งรถ หรือว่ใหร้รถมีเสียงเหรออ่นี่ก็เป็นอย่างนี้ว่าเราคิดเห็นมันรอกรู้รอบอยู่อย่างนี้ผมมาอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เป็นอะไรอย่าเมาอือดีหรือถูกถ้าเราทําที่ถูกก็ดีแต่แต่วความคิดไม่ดีไม่ถูกมันทําถูกมันก็ไม่ถูกคับไม่ยอมใครนี่อของเราถูกทั้งนั้นใครว่าผิดก็ถูกทั้งนั้นไม่ยอมใครนี่ครับย่อกันทะเลาะกันแั้วก็ไม่ดีก็ดีกันไม่ถูกมันก็ผิดแล้วนะ ใน้ดีแล้วก็ยึดดีไว้ไม่หยุดเลยไม่ปล่อยเท่าเดินเดิมเป็นต้นยึดไว้น้อยกต่ทะเลาะกันเป็นเรื่องมั่นก็ไม่ดีแต่นั้นะเสียหายหมดน่ะประสบความดีแลก็เอาไว้ไม่ได้ประสบความถูกต้องก็เอาไว้ไม่ได้รักษาของที่มันเกิดขึ้นมาแล้วรักษาไปไม่ได้โดยปีบีปัญญาครับพระพุทธเจ้าเตือนวอย่าไปเดินไปแง่ดียวแง่เดียวอย่าไปดูมันนี่แง่เดียดูมันสองแง่เรื่อยไปก็มันเป็นอย่างนั้นระวังอผมกลมเห็นผงเป็นอย่างนั้น อกินเป็นอย่งังไงผมว่าไอ้ความสงบมันที่ในป่ามันก็ไม่สงบหรอกครับที่ทุ่งนงามันก็ไม่สงบหรอกไอ้ความสงบมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ความเห็นที่ถูกต้องเห่านั้นแหละอ่าวดูต้องสงวพอย่างงั้นว่อเรารู้จักเชนนี่นะ่ะจะหลับตาหรือจะลืมตามันก็ต่างกันแต่หลับตาหรือลืมตาตอนนั้นหลับตาอยู่ ตาไม่เห็นรูปแต่ตาข้างในมันเห็นอยู่ปิดหูไว้เป็นโทนหูนอกไม่ได้ยินเนี่ยแต่สัญญาในเสียงเนินมันมีอยู่แต่อยู่ที่ไหนไม่พ้นเนี่ยนะผมพูดง่ายๆผมตัดสินเอาง่ายๆอย่างนี้คือมันจะรู้ตรงนี้แหละไม่อยู่ที่อื่นเรื่องอเรื่องที่เรียกว่าเรื่องธรรมวินัยเรื่องธรรมวินัยมันเกี่ยวยงกันครับอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวยงกัน เรื่องทำรรกับเรื่องในนะมันเป็นเรื่องหัวงูกับหางงูไปจับหางงูมันก็วกมากัดเราก็ได้นะไดไปจับที่ไกลางงูตัวงูมันก็วกมากัดเราก็ไดเพราะหัวงูกับกลางหัวงูกับหางงูมันอยู่ในงูตัวเดียวคับ น, นี่ครับเป็นอย่างเงี้มันให้ประโยชน์เราได้ทั้งสองอย่างมาให้โทษเราได้ทั้งสองอย่าง ไอ้ความเป็นกริงก็คือธรรมวินัยเนี่ยอันที่ว่าพระธรรมอันที่ว่าพระวินัยนี่เรามาแยกคําพูดกันดอกนะแต่ความเป็นจริงกันเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละรครับเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเช่นว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะเรว่าไอ้สมถาากรรมฐานนิปัสสนากรรมฐานนี้อันนี้ก็แย่งกันครับ ผมเรียนกรรมฐานเนี่ยสมถะกรรมฐานอคุณเรียนนิปัสนากรรมฐานผมก็นั่งฟังแ้คิดกันยังไงเนาะนนตามที่ความผมความคิดของผมเห็นว่าเรื่องสมาถะกรรมฐานเรื่องนิปัญนากรรมฐานนี่มันเป็นเหตุผลกันเท่านั้ น, มนไม่ใช่อื่นไกลยกตัวอย่างกัมีด เ, เล่ม น, นึ่งนะมันมีด้ามมันนะ มันมีสันมันมันมีคมมันเราจะยกมีดเด่มนั่นขึ้นมานะไอคมมันก็ติดมาสันมันก็ติดมาดามมันก็ติดมามันจะแยกกันไม่ได้นะครับแต่ว่าอาการมันต่างการถึงความสงบความสงบเรื่องกรมฐานนี้สงบเพราะว่าไกลจากรูปเสียงสิ่นรดโดยทางเดินออกไปสงบด้านวิปัชนานั้นมันสงบจากไกลจากรูปเสียงสิ่นรดโภชปฏธรรมลมโดยทางปัญญา ในทางกรรมฐานตาเราเห็นอยู่หูเราได้ยินอยู่เป็นต้นมันก็รู้เรื่องของมันมันก็สงบของมันได้เรื่องสมาธิกรมฐานความสงบปัญญามันยังไม่เกิดอืถ้าได้ยินเสียงพุกไม่สบายแล้วเห็นรูปพุกไม่สบายแล้วนี่ปัญญามันยังไม่มีอันนี้มันเป็นเบื้องแรกมันก็ต้องไปอย่างนี้ก่อนเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนั้นอ่ะไอ้ที่อารมณ์มันมากระทบเราแหละเราไปยึดมันทุกทุกทีมันทุกทุกทีมันทุกทุกทีแบกมาหยุด แบกไปนานๆเธอครับมันหนักเหมืนกัโยนทิ้งเหมือนกันจริงเมื่อปัญญาเมื่อเกิมันก็แบบนี้ครับไม่ใช่ว่าเราจะแบกไปอย่างนั้นมันถูกแบกไปอย่างนั้นมันถูกนึกว่าดีขนาดไหนก็จงแบกไว้ปล่อยให้แบกแต่ก่อนเธอะมันหนักอะไอ้มันวิ่งไป่อก่อนเนี่มันหนักมันจะเห็นโทษมันเพราะว่าคนถ้าไม่เห็นโทษมันมันได้ไม่ได้ถ้าไม่เห็นประโยชน์มันมันก็พุทปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ผมเห็นว่า เมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆจนว่าเอออันนี้มันก็ไปแน่น่ะเดินอยู่มันก็อย่างนั้นนั่งเดอยู่มันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไปเที่ยงอย่างนี้เลยมิฉะนั้นอารมณ์ที่ว่าอานิจังทุกขังอนัตตานี่จึงเป็นเรื่องอารมณ์ของมิปันากรฏฐานนี่ครับนี่ทำไมไม่ต้องเจเรื่องอานิจังทุกขังอนัตตามาเพราะมันเห็นอย่างไงมันเห็นโทษในทาความสงบนั่น<ม>ไปอยู่ที่ไหนมันก็แค่นั้นเนี่ยมันมีอารมณ์อยู่งั้นเน่ยมันมีทางสงบ ไอความรู้อันหนึ่งเกิดเอออันนี้มันก็ไม่แน่นะมันเกิดได้กว่ดับไปนะเรื่องอันนี้มันไม่เที่ยงเรื่องอันนี้จังเรื่องทุกข์งังเรื่องอนัตตาเมื่อมาหยุดอยุดตรงนี้นะนี่แต่ปัญญาจะเปิดเนี่ยนี่ครับอืไม่ต้องไปเรียนที่ไหนครับทําสงบนี่แหล ะ, ไ ป, ะททไปก่อนนี่ประพฤติทางธรรมทางดินัยนี่แหละไปก่อนแับมันจะไปถึงจุดนะเออนนี้มันก็อย่างนี้อันนี้มันก็อย่างนี้ไอคนพูดอย่างก็พูดเรื่อยเนาไม่อยากใครมันพูดมันก็พูดนะไม่อยากเห็นมันก็เห็นอยู่อย่างเนี้ย จนมันเบื่อมันนายไปไหนไปพ่นมันก็กลับมึงอันนี้ไม่แน่มันก็เป็นอย่างนี้นมันพูดร้ายท่ั้งก็เป็นอย่างงั้นมันสุกร้ายทีก็เป็นอย่างงั้นทุกหลายทีละมันก็เป็นอย่างงั้นมันเรื่องไม่แน่นอนนเกิดขึ้นมาปัญญาจะเกิดตรงนี้วิปัฒนาจะกอ่อตรงนี้เลยไม่ต้องไปเรียนไหนแล้วครับผมจึงเข้าใจว่าไอ้ความสงบเนี่ยนะจะกับมันต่างกันมากความสงบเลยกําหนดให้มาสงบจากอารมณ์ อย่างเราอยู่เนี่ยไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องของเราม่มีใครมาดินทาเราก็สบายใจนี่ไอ้ความสงบเท่านี้เรื่องธรรมถาก็พิพัฒนาเรมาืมตาเข้ามาว่าต่อหน้านี่เออนี่มันก็รู้อยู่ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นของมันเนียมันก็สบายใจเองขนาดนี้สงบตรงนี้มีกําลังมากครับจะอยู่มู่มากกระไรมู้น้อยไม่ไม่ค่อยเลือกสถานที่เมื่อเวลาตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ได้ในตรงนี้เท่านั้นน่ยไอ้ความเห็นผมเป็นอย่างนี้เรื่องพระธรรมวินัยผมไม่ได้สงสัยแล้วอะ อันนี้ไม่ได้สงสัยถ้าเราทําไปเถอะผมเห็นว่าไอ้ถ้าเรามีศรัทธาจริงๆเมื่อผิดมันผิดน้อยไม่มากครับเนะมื่อเราลูกเสื่อมพนังทั้งที่ก็ได้ไม่ยากอย่างผมจะตเตี้อแจ้ใบนี้ไปท่านอาจารย์ว่าอันนี้มันผิดผมไม่รู้จากนี่ครับผมว่าแก้ใบนี้มันใจร้าเพราะใช่ของผมไปครับบุดิสุทธ์ใจของผมเมื่อผมไปถึงท่านจนอยู่เฮ้ยท่านถือไหมมันผิดนี่เป็นธรรมัตมันเป็นไงก็เป็นผมทิ้งก็ได้ครับ ไม่มีอะไรง่ายๆถ้าคนมีศรัทธาอลไรมาเป็นอย่างนี้ครับคือคนให้ไม่ได้ยิดไว้อย่างนี้อืมผมว่าอย่างนี้ก็พอเห็นด้วยจิตของเจ้าของแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีทางเดยที่จะสงสัยอย่าไปเมาได้ว่าอย่าไปเมามันครับอย่าไปเมามันสถานที่สงบไม่สงบอยู่แล้วอย่าเมาได้ดีแล้วก็อย่าเมาดีถูกแล้วอย่าไปเมาถูกถ้าเมาเด้อผิดนะเอาดีมีอะไรไหย พอค้มแล้วพอเข้าใจแต่ว่าที่จำเป็รยังพันอยู่เวลานี้ก็เกี่ยวครับเร่เรียบปฏิบัติสิ่งเล็กๆน้อยๆครับแต่บางเรื่อที่เรียกว่าอธิสมานอะไรอย่างเี้ยเราไม่เคยอีตัวอย่างมากเกี่ยวกับอะไรยากการกบกันจันกันหนังการเดินครับ อันนี้เรื่องปัจจุบันเกี่ยวกัเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดนี่ครับครับละเอียดมากนะอันอันละเอียดที่มันเป็นอย่างหนึ่งนะมันยังหลงแต่ว่าอันสิ่งที่เล็กน้อยไม่เป็นไรนะอย่าไปว่ามันเหมือนกันนะเมื่อมันรวมตัวกขามามันโตได้นะครับอืมออมันโตได้มันโตอยู่แล้วน่าจะว่ามันโตอยู่แล้วครับออมันเป็นใส่อย่างนี้ <c oughs> พระพุทธเจ้าของรท่านก็สอนเราก็ค่อยๆดูประวัติศาสตร์ของท่านประวัติในชีวิตของท่านเดินมาอะไรต่างๆอย่างที่ว่าคนหลงผงเคยมาจาังกวะคนหลงใครมันเป็นคนหลงใครมันเป็นคนหลงอ่ะอย่านึกว่าเราไม่ได้เรียนเลยเป็นคนหลงก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้อย่านึกว่าจบเก้าประโยคเป็นคนรู้ ก็ดเป็นคนหลงก็ได้มันหลงอยู่ในรูมันรูอยู่ในหลงจะทำไงมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ไม่ให้ประมาทบาเรามันพอแล้วอย่าประมาทเลยจะต้องศึกษาเรื่อยต่อไปรู้แล้วก็อย่าประมาทเลยวะแล้วละยาเนี่ยไม่จบจะต้องศึกษาอยู่เรื่อยเรื่องปัจจุบันที่ผมเคยศึกษามาเนี่ยเรื่องอาบัตเด็กเล็กน้อย มันจำเป็นครับแก่ผู้ปฏิบัตินี่เรื่องสำนักธน า, ารย์มั่นแห่งนึงเรื่องหลวงหลวงปอเผาวัดเขาวงนี่ครับเก่าก่อนเนี่ยของศึกษานี่ครับนี่สังขารครับเป็นสิ่งที่สังขารมากครับผมคิดว่ามีความจำเป็นครับมีความจำเป็นครับมีความจำเป็นมากครับท่านเพียงว่าแม่แต่ว่าดั่ด้วย์ว่า ลูกผิดจะออกจากอาจารย์ไปวันนี้พรุ่งนี้ไปนั่งข้ามคืนสองกรับมาข อ, อนีใสยเลยออเมื่อครูบาอ า, อาจารย์อุปชายาวัดจะอาบน้ำํำจะดับจะนอนจะไปที่ไหนจะอะไรทั้งหลายเนี่ยอุปชายาวัดี่เปียมอจิยาวัดี่เปียมเปี่ยมหมดครับวัดทั้งสิบสี่นะครับเตรี่ยมทั้งนั้นเออนย มันเปลี่ยมครับนี่ผมก็เลยเกิดความรู้เห็นกับอาจารย์ทั้งสองอย่างนี้ครับเป็นอย่างมากเลยนะนะแต่ผมมันได้ใกลคิดดอกแต่ว่าเราไปดูอะไรแต่มันมันรู้เรื่องครับรู้เรื่องอแล้วก็ผมเห็นว่าไม่สงสัยไม่เป็นทางที่จะขัดข้องบางแห่งก็ไปพูดกันแต่ยอย่างนี้นะคะระับปฏิบัติไม่ต้องไม่ต้องเอามัเรอกประวินให น, หน่ะอเอาธรรมะดีกว่านี่ครับ พูดอย่างนี้ผมผมผมก็ฟังได้เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าฟังไม่ได้ยิ่งฟังได้ดีเดียวที่เธเนี่ยนี่ฮะเนี่ยมีมีนี่ครับมันมีครับไม่ต้องเกี่ยวข้องมันเรื่องจิตเอออันนั้นมันเรื่องผู้ใหญ่พูดกันนะเรามันยังเป็นเด็กอยู่นี่จะไปพูดอย่างผู้ใหญ่ได้ด้วยดิจะพูดง่ายๆเออไปทํานาดีกว่ามันสบายดีนี่คําพูดมันง่ายทีเมื่อเข้าไปทํานาเขาทาอะไรบ้างดูไหมมีอะไรบ้างไหมเกือบตายเหมือนกันนะ กว่าจะทำนาได้ melon. นี่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นดินี่คือคิดไปเฉยๆอย่างนั้นอย่างที่ว่าไม่มีอะไรอไม่มีอะไรแล้วเไม่ไปยึดอย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่าเอากิตมาพูดกันสิออย่าเอาจิตมาพูดกันสิออย่าเอาจิตมาพูดกันดิเอาเอาธรรมดาธรรมดานี่มาพูดกันดีกว่าโน้นพระพรหมอยู่โน้นอืมอย่าไปพูดไปครับผมไม่เห็นพระพรหมเลยอย่าไปพูดอย่างนั้น โคตจริงที่เราเห็นนี่เนี่ยจริงที่รเราเห็นอยู่นี่ดีกว่ามันต้อง<ร>มีพยานผิดได้ผิดสุดได้ของใบชานเนื้อได้ใจกันของจริงมาเราต้นวันที่สุดท่านเหลืออยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้นให้เราตอบตัวเราเองได้เลยคืออะไรมันเหลืออยู่ให้อย่างนี้ให้เรารู้ไหมนี่มันมีอะไรเป็นยังไงไข่เราเป็นไข่ทุกวันเราเป็นไข่แล้วหมอมารักษามันลดความไข่หรือเปล่าใครจะรู้จักอะ คนที่เป็นไข้มันจะลดลงเลยปวดที่สามารถกคนจะลดใน luôn, ih, น้อยลงใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันก็รู้ในตัวของเราอย่างนี้อืการประพฤติปฏิบัตินี่ก็ต้องเริ่มเถอครับอืมเขาก็เคยว่าผมมันพันเนี่ยเขามันตึงไปไปเร็ว่ามันย้อนไปอย่าไปว่ามันตึงมันย้อนเลยครับอไอ้ไม้ท่อนเนี้ยมันหนักประมาณสักสามกิโลเนี่ยเอาเหล็กสักสองขวบมายกมันก็หนัก เอาคนตัวโตมายกมันก็เบามันเบามันหนักเพราะอะไระคุณจะเอาไม้พอนี้ไปชั่งดูนี่มันก็ได้สองกิโอยู่ท่านั้นเนี่ยเด็กควนเดียวมายกทําไมมันหนักอะอผู้ใหญ่มายกทําไมมันเบาทําไมเป็นงั้นเนี่ยเอาถ้าเราเอาไปชั่งดูมันก็ไม่หนักไม่เบาก็สองกิโลอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรกําลังของเด็กมันน้อยน้าหนักตั้งสองกิโลอย่างเก่ามันแต่ว่า กำลังของเด็กมันน้อยมันก็เลยหนักไอ้ไม่พอนนี้มันหนักอยู่เดียกสองกิโลแต้เราคนโตไปยกมันก็เบาเอาไปชั่งดูมันก็สองกิโลอย่างเต่ามันมันเป็นเพราะอะไรกำลังเรามันน้อยเท่านั้นอันนั้นมันก็หนักกำลังเรามันมากอันนั้นมันก็เบามันก็เรื่องเท่านี้ืจะว่าอะไรมันก็ถูกมัน ไอ้เรื่องจริมันตึงมันหย่อนนั่นไม่มีเพราะพูดจะไม่ตึงถ้าตึงมันก็ผิดถ้าหย่อนมันก็ผิดอย่งนั้นมันก็ไม่เดินมัดไม่ถูกเป็นสมาทิฏฐิอันนี้ข้อวัฒนธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นโดยพอดีแล้วนะกําลังเราไม่ถึงหนึ่งไม่เอาเครื่งไปอะไรไปหย่อนไปอย่างนี้เพราะว่าเราว่าเองเราว่าเองเราไอ้ธรรมะนี่ไม่ไม่ไม่ออกใครไม่เข้าทางใครเนี่ยเราพูดจะตามความจริงมันก็จะเห็นัด อย่างนี้เทว่าอาจารย์ทั้งสองนี้ที่ที่ผมเคยได้รับมาได้รับอบรมมาเป็นพื้นที่ของผมทีเดียท่านตำแนังท่า น, นอาจารย์มั่นหรือท่านอาจารย์น่นอาจารย์เทาเป็นพื้นที่เท่านั้น<ม>ทีนี้พูดถึงกคำทีเนี่ยพอเดินเดินผู้ปฏิขานี่พอเนี่ยครับผู้ปฏิขานี่พอออืนี่ผู้ปฏิขานี่พอครับ ยังไงก็ให้รู้เรื่องกับพุพุทธศาาอันนี้พอสมควรอันนี้อันนี้เป็นคลื่นทางความในนะ ค, ะครับพองา ม, มแต่ว่าไอ้แล้วก็กลัว่าจะมันก็พอควรเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีใครทำเลยมันมีแต่คนพูดไม่มีคนทำมีความรู้อยู่แต่ว่าไม่มีใครปฏิบัติยังไงใครจะมาปฏิบัติให้เกิดศรัทธาแล้วมันจะมีความระยเองมัน มันมีคนราเองมันมันจะคนเพว่าเองมันคับนี่มันเป็นใจอย่างนี้เนะมันนักกฎหมายนะนักกฎหมายมรู้กฎหมายนักแจกกฎหมายก็จะคนรู้กฎหมายนะต้องเดินไปมินมินนั่นแหละที่ไห น, นพอได้ก็โคที่สาออกไป <ś> ้ <lim S 1> มันจะต้องเป็นอย่างนั้นนักพยาธินายก็ต้องเป็นอย่างกิตมันไม่ยอมนะที่ไหนมิ น, ม, นมินอันตรายตกโครไปตรงนั้นเนยอย่างนี้เนี่ยครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อืม พระพุทธเจ้าแตนไม่ได้สอนอย่างงาั้นอย่างที่ว่าถ้ายกที่เี่ยจะต้องปราราเราจะต้องขอได้อะไรได้ก็ขเข้าใจแน่นอนพระพุทธเจ้าแตนบ่กให้ขอได้ให้ปราราเราถ้ามาถือเราผู้มีความละอายแล้วนะถ้าไม่จําเป็นจริงๆเราก็ไม่พูดเนี่ยเนี่ยมีมันได้แง่ถ้าว่าเขาปราราขอได้เนะี่ยเย็นก็ไปขอเช้าก็ไปขอวันนี้ขอพรุ่งนี้ขอ มันจะเป็นทําไมถือเงี้ยขอได้ น, นี่ขอได้แล้วเขาป ร, รารนาหอนุญาตเราอย่างนี้ครับแงพ่พระบีไหนมันเสียหายนี่ครับเอ๊ะมันตรงอย่างนี้เนื่องว่าไอ้นักศึกษาทางนอกควรจะเป็นอยู่อย่างนี้ครับอันนี้เราไปถึงขนาดนั้นถ้าคุณจะทำ ม, มีความบายมีความกลัวเกิดขึ้นอยนู่ในใจของเราเพราะว่ามันพระบีไหนมันก็ไม่มาอะไรมันมีกลัวมีอายอยู่ในมันก็ตรงนั้นเนอ่ย แต่ว่าจะมาพูดจิตอันเดียวเนี่ยอะไรก็มันก็ลําบากอยู่นะปะนัญหาว่าสิ่งสาคัญที่เราเจอว่าโดยมันในตอนนี้เราเห็นสิ่งที่นี้มีคนมากๆเราสังคมทัว่วไปเนี่ยสังคมนี้เป็นการขัดทานให้คนเรานี่สร้างตัวไปกับสังคมด้วยส่วน่เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่คนจะจะยากลําบาก ท, ทุกวันกา ร, ร, รที่เรา ก็ไม่มีปัญหาเขากระทำโทษอะไรอย่างพ่ออยู่ในบ้านไม่มีมปัญหาพ่ออยู่ในบ้านได้เยื่อกไม่มีปัญหาพ่อพี่ยังอยู่กับกลุมที่เขาเป็นนะเมื่ออยู่ในหมู่เขาชนไก่อย่างเงี้ยเมื่อแต่มันจะอาจจะมีคนที่ไม่ที่คนที่เห็นว่าการจนไก่เนี่มันใช่ไม่ได้ มันเป็นอบายยมุกหรือเป็นความเสื่อมเสียสิรธรรมคุณธรรมอะไรต่างๆอย่างเี้ยแล้วก็ถึงวันแล้วก็ต้องถึงไม่เล่นหรือไม่ชอบก็ต้องเดินไปกัเข้าด้วย<ม>นี่เ็าเป็นปนัญหาที่ทำให้เราเมีความเป็นอยู่คล้ายๆกันการภายเกือบวนกระแส น, น้าแต่ตามหลักพี่หลวงพ่อว่าก็ถูกว่าธรรมวินยัยนิ่พิ มันคงเริ่มเันอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครไปสร้างหรือไปตกไปแต่งธรรมะอีกเลยแต่ว่าในธรณีที่ว่าเมื่อคนหมู่มากมันก็มีความไหลอยู่อย่างนี้ในการที่ไหลนั้นไม่ถูกจะตรงนะเมื่อมันไม่ตรงมันก็ยากแต่การที่จะใช้อยากแตการที่จะประตุ้นปฏิบัตินี่ตางว่าเรามีการ ไอการแนะนําอบรมก็อย่างแพร่หลายตัวตีอย่างหนักหนกวงคล้ายๆว่าเมื่อมันมีคนเขาทํากันให้เป็นตัวอย่างอไอคนที่จะมาทําตามย่อมนี้ได้สะดวกไอคนที่ทำเป็นตัวอย่างไม่ก็้มีแต่มากมันมีอย่างอื่นให้ดู <laughs> อย่างนี้มันก็ยยยกนยากยากแค่ไหนวะจะเดินให้จรงตามมันมแพราะว่ามันพอดีอยู่แล้วทำวิเล ย, ย์มีพอดีอยู่แล้ว ตอนนี้เราส่วนมากก็พาเข้าข้างตัวนะฮ้คือพาเข้าข้างหมูว่ากันก็เหมือนเหมือนกันนี่ไม่จะทําเราเรามันยอมไลครับอ่ายอมยอมเป็นคนดังเกลียดยอมไป็คนมินทายอมไป็คนสรรเสริญจริงได้อไอุโลกนี่มันก็เป็ียนอยู่ไงไม่ใช่เป็นเวลานี่ครับก่อนพระพุทเจ้ายังกุบบาทเกิดมาโลกที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเฉพาะเดียวนี่มันก็เป็นอยู่งี้ ต้องเป็นอยู่อย่างนี้มันก็แม่เปลี่ยนอยู่ถ้าคิดไปในแง่อนหนึ่งก็ว่าผม่ามันก็ดีแล้วดีอะไรอเอ็น <c oughs> ทุ่งนาเราไร่มันไม่เป็นพุ่งมาเรามันเป็นป่าครับไปตัดถางลําบากมันเป็นไล่เป็นนาตรงนี้เราจะใช้ ใ, ใจมีจาร์แล้วจะเกิดปัญญาประสบต้องมีการประสบมันนี่ครับนึกถึงพระวโรบาครูของร่อินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นติพื้ง พระพุทจาก่กับคนหมู่มากกันนะการทำยังไงถ้าจะเอาเราไปจริงๆล่ะเราก็ถอยได้นะแต่ว่าคนถอยมันคนอยากมันอยากมันอยากแล้วมันกลัวกลัวก็เสียว่าอย่างนั้นกลัวเ็เสียว่าอย่างนี้กลัวใจอย่างนั้นไปกลัวมันติดกลัวตรงนั้นเนี่ยครับเลยกลัวกลัวมันอยากอะไรงอ้ออภัยโทษครับผมติเรียมาจากนี่ครับ ไม่ว่าอื่นเลยครับคณะบริษัทเอาจใจทำนี้เราไม่เคยชอบผมหรอกครับถ้าหากว่าเราจะเอาสังคมไม่เขาชอบสังคมดูจริงมันจะสบายไหมยิ่งยุ่งอยู่ลองลองดูทีน่ะนี่ย่มแน่ย่อมแน่ย่อมแน่เลยครับยิ่งเขาไปรึกทีแล้วลองลองนีด้ต้น่ะเลยขออภัยเช่นผมเนี่ยอย่างผมสร้างโหสถหลังนี้ครับพรามไม่มีดีกาไปที่ไหนเลยไอ้คงประวัตินีมีเน่ะสร้างของผมไม่เคยไปร่องเรียกใครไม่เคยบอกใครทางนั้นเนี่ย อยากเดียวไอ้ท่านจะทํำยังไงต้องไปทายังไงใครจะสร้างก็มาสร้างกันดิจะไปทไํามันยุ่งยืองอะไรทําไมกั น, น, ก น, น, น, นหนักหนาเนี่ยต้องทำในเขาไหนต่อแค่นี้อย่างนี้เกาพยายามทำมาเลยเขาบอกใหญ่ว่าไ อ, อ, อ้ทำเหรียญจะอะไรนะบ <c oughs> างท่านไปทำเหรียญไปเรื่องสร้างโบสถ์ง่ายๆเร็ว <c oughs> เอออ่าโยม <c oughs> เขาสร้างโบดสร้างอาคารใหญ่หญๆเขาขายเหรียญกันสร้าง คนมันอยากจะได้เหรียญนี่มันอยากจะได้พุ่นคนี้เมืองไทยเอั น, นี้คนอยากจะได้เหรียญถึงให้แต่างหัวสร้างนั้นมันมีเท่าไหร่อยากจะรู้ว่าแต่คนที่มีศรัทธาอยากจะสร้างเป็นส่วนผู้สนจริงๆมันจะมีมั้ยตอนนี้ก็ไม่เคยคิดว่าอยากจะไปเชิญนิมนต์ไครต่อใครเข้ามาเพรการทํารูปนี้มันเป็นรูปของการโทษนาหาลาภบนสกายะข้าวสวยแต่มาคิดอีกทีนึงแต่ชมกับษณะหลายๆองค์ ขอบคุณกำนนงย่าด้วยนะน่าจะนิมนุนหลวงพ่อมาเทือหมาเดียวกัทธรรมะธรรมโมนี่ก็พอไปได้ใครก็บอกว่าตับถินใจมาทำงานมาหกปีจปีแล้วไม่ไม่ใด้นิมนต์ใครที่ต้องมีืเสียงเดนินกันเ็าไม่ศาสนาที่แค่แต่งั้นก็ถือว่าต่างคนต่างทำงานก็ดีเลยมันก็ไม่จำเป็นที่จงไปอาศัยใสใจมาคิดออกาเออพ้ออย่างนี้ีผมก็ มีความตัดทธาอยู่อย่างหนึ่งเทียกว่ปาปฏิปทาด้านเขงไหน อ, อนนารมิตรผมศรัทธากระสัเรี ย, าายนหมดความจริงอย่างเงี้ยทำว่าอย่างน้อยก็ทำให้ผู้อื่นได้เห็นอากัปปิยาเนี่ยก็เป็นสิ่งกระทับใจนะ้วบอกผมว่าในในนี้ก็เป็นผู้ประทับใจแล้วการใดความคาพูดก็ยิ่งจะสำคัญเพิ่มความสัทถามากขึ้นให้เราเป็นผล ด, ดี เป็นถ้าเป็นไตได้กับผมก็เคยนึกแต่าะอย่างยิ่งในระหว่างที่ผมอบรมไปศัสนาจารย์นี้ไปพยายามศึกษาคนฟ้าว่ า, าพระสงฆู้เท่าองค์ไหนที่ท่านสามารถที่จะอบรมแนะนําในทางตัววินัยนี้ให้ได้ดีและเป็นที่แนบนมหนาถ้าะสงให้กราเพือปฏิบัติการผมก็พยายามอานไปศึกษาสมเด็จพระยารงเนี่ยว่าอยา่างได้พระองค์ไหนที่พอจะเป็น ตัวตีตัวตั้งอบรมเรื่องนี้นายเราไมเก่งันก็บมายวาม่าทำไมได้ยากทำไดยากมันก็่ว่าทำส่วนตัวทำได้อาจจะไปพูดได้เพื่อนทำนี่มันยากงานยากแต่พออย่างยิ่งย่างสำนักอย่างกระผมก็เป็นประานที่สุดทางที่ก่อนนึกว่าน่าจะไม่ลำบากนักแตหากว่าจะได้กล้สอนบ่อย เ็ไม่ลำบากแล้วก็ผมก็จึงตัดสินใจมาแลไม่เคยคิดข่านนนี้ปวกคนดำน้องเขาเอาไปเอาเปวนเขงอมาน้อยไปแล้แล้ใครใครก็รับว่าเอาิ้งวั น, น, ว <c oughs> น, นเีน <c oughs> ยวแต่ผมก็มาผมไม่ได้ตั้งใจมาแต่เดิม <c oughs> ไม่ได้คิดแต่ความจริงใจแต่ว่าคิดผ่แต่พยายามเลือยู่เสมอรักตอนนะ้เที่ยวขึ้นมาแต่ว่าเราทำไม่ได้โดยเร็วพื้นฐานไมู่่ก็ผมเองยังทโทษตัวเองว่า <c oughs> พื้นฐานมัน ในทางวิถีเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่เขามีความละเอียดละออโดยมากผมชอบอย่างนี้ครับมันสะดวกดีครับส่งพระที่สงวรมาจำพรรษาในที่นี้ดีมากจะมารู้เอาในต่างๆข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยนี่นมีคนวีลายมากขึ้นพอสงวรในที่ส่งพระองค์นี้กลับไปครับ มันมี่าดฐานน่ดีครับมันนี้ที่ที่ที่ผมมีหลายสาขาเนี่กไปอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอยากให้ผมไปพูดสักสองชั่วโมงประมาณนั้นเหมือนโยมเข้ามาในวัดอย่างนี้แหละมานั่งน้องพ่อฟังเนี่ยว่าในวัตนดต้องสงบเงียบออกไปจากวัดระวันแล้วนะ <c oughs> ผมนึกมา<ไ>ถึงวัดเห็นวัดตลกวู้อยากจะบวชนะคิดคิดไปถ้าบวชต้องจะมาบวชวัดนี้นะแต่จะมาพูดอยู่ในวัดนี้ เมื่อออกไปแล้วุณลืมใจะนะมันพู่กันู่นนะตัว <c oughs> อย่างนี้เท่านั้นแหละอย่างงั้นจะมาอยู่กันดีๆสหาไอ้พระจีสําคัญมาดูแลมาศึกษาคือมาทํากันเลยนะไม่ต้องศึกษาเลยนะ <c oughs> ทากันเลยอยู่ไปผมได้ผลอย่างนี้ <c oughs> ผมอย่างนี่ที่นี่มีพระสันปค ร, รูวัดอำเภอเรืองส่งพระมาตรงนี้มาศึกษานอท่านก็ตามมาส่งเลย แม่ผมอยากจะมามหม้อพระสันสเดชประคณฝึกให้อยู่ด้วยถ้าฝึกแล้วผมจะมีมนพระองี่่ยอาไปช่วยผมพอผมกิดแก่แล้วผมก็ได้บอกว่าเออท่านประคุณอย่างงี้นะอย่างนั้นะ น, นตัดไปในค่อนข้างที่ไม่พอใจนะแกผมเห็นว่าอย่างนี้นะถ้าพระผู้ฝึกเป็นแล้วจะไม่กลับลงมานั่นในเรื่องของเรื่องเออจะไม่กลับ <laughs> ใช่เยอะก่ายอะเลยถ้ า, ถาใครให้มาอยู่ในที่สงบเลยให้าวิ่งขึับออกไปสู้ที่ไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่มีขยกไปอยแบบนี้ตรงมีสําคัญนะสัตตรงนี้ถ้าใครภาวนาไม่ไม่เป็นต้องกลับไปแน่มลยถ้าเป็นชัดเจนผมเห็นว่าไม่กลับเอาถ้าไม่เป็นอันไม่รู้ดูก็ได้ต่อไปส่วนนี้ผมพันธาตอนพันธะไม่กลับเลยไปกลับไปว่าโชคลากว่านี้งไปยุ่ไม่ได้ตรงนั้นอืมันเป็นสายอย่างนั้น ทำไมมันเป็นงั้นปลาทะเลมันอยู่น้ําเข็มมันก็ไม่แสบหูแสบตามันนะมันเป็นเพียงเสพหูย่าตาายญ่นี่ก็อยู่มันสบายนะเมื่อมาผ่านน้ําเกดมัน้ำกระตนมัไปมันจะตกอย่างนี้เมื่อจะกลับไปมองไปทางหลังแม้เราจะไปเราจะไปแก้ครูบาอาจารย์เราจะไปแก่แล้วมันหนักเช่นนั้นนะมันไปไม่ได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลย ถ้าเราจะโทษอยู่คนเดียวเขาจะดันเกลียดแต่เขาจะอะไรเราว่าเราวุ่นมายเกิดเท้านี้ก็ไปได้อยู่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงคือ <c oughs> อย่างเช่นท่านต้องมีอท่านพระยาตาระส่งมาอยู่นี้น ะ, ะ, ะ ย, นยังไม่ได้วัวจะววเทีงน่ะส่งวันนี้เลยเราปฏิบัติเที่นี้มันจะมเป็นซึ่งปัญาได้ประกาไปดนะังนั้น เคยจำอะไรต่างๆเนี่ยไปเจ็ดวันตลับมาเป็นไงโอ้ยตรงนั้นอยู่ไม่ได้เลอยู่งไปต <c oughs> ่างกันเยอะเกินนี่มันเป็นใจอย่างนี้นะมันเกี่ยวขอย่างนี้อันนี้ที่กับผมเรียนถวายตอนแรกเนี่ยมันเกี่ยวข้อสังคมใที่ก็เป็นใจอย่างนั้นเลยคือคือคือมันไม่ดูจักนะอย่างนอนอยู่ในพริกเนีไอพริกมันปก็เผ็ดมันก็ร้อนนอนมันไปเกิดอยู่ในพริกมันก็ อ, อยู่สบายเหมือนไ้ม มันไม่รู้จากร้อนจากเผ็ดล็อกมันอยู่สบายมันทีเดียวเนี่ยมันไม่รู้เรื่องของมันเนี่ยนี่มันก็อยู่สบายทําไมเขาทําได้อย่างนั้นเนาะทําไมเขาอยู่ได้เนี่ยทําไมอยู่ได้ก็ราะเขาเกิดอย่างนั้นเขาอยู่อย่างนั้นก็าถอยู่ได้นะปลาําเข้มทําไมมันไม่แสบปลามันอยู่ยังไงนะอย่างงี้ก็เพราเขาเกิดอยู่อย่างนั้นเขาไปอยู่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ปลาอย่างเงี้ยกลางคืนมาไฟมันก็มีไม่สะดวกทุกอย่าง ถ้าเคยที่อยู่สะดวกท่านอยู่กันยังไงนะมานั่งกระดังสนนะไฟไม่ไ ม, ไม่ไม่เปิดไฟไหครับไฟเปิดไปถึงมีราอะไรไหมโยอมอยู่มือกันต้องคล้าใจครับหน้่งจะไปอาบอยู่ไนนะโยมปอกมาแล้วอาอ่านกันยังไงมันเปลี่ยนกันไปหมดทุกอย่างเลยไม่เกิดความไม่สบายใจอันนี้กันนั่งเจริญรูปคารรตานีลาบากอยู่ครับลำบากหลาย ยากจะไปตกอย่างนั้นเลยากครับแต่ว่าจะเป็นดีนะแต่ว่าเอาคนหลายได้เนาะแต่ว่าแกงมันหม้อใหญ่คนไม่พัวถกันนี <c oughs> บางทีก็จืดๆบางทีเค็มวกได้ไม่อร่อยนะ <c oughs> มันหลายคนั้ <c oughs> มันจะต้องเกิอย่างนั้นผม <c oughs> อยากจะได้อย่างนี้เอาคนคนหนึ่งมาสอนมันรู้ให้มันเป็นเสียแถวนี้ให้มันเข้าใจกันทั้นี้หลักคือคนคนเดียว อย่างพระพทจาขององค์เดียวเท่า น, นั้นนะไม่สององค์ก็ฟังแรกวนั่นเนี่ยทำให้ตังสู้ได้เนี่เราเป็นลูกผิดพระพุทจาก็ให้มันไะส้ชิดเข้าไปเิอนะไม่เป็นใครมานใส้เข้าไปแต่มันบริสัตธ์นั่นเองนะเนีอย่างนี้แต่ว่ามันก็ขึ้นทะเลมัใหญ่มาละขึ้นแล้วขึ้นมันท่วมเรือแล้วเนาะสมใจมันไปง่ายๆเนแต่เออเนีย อ, อ่ะช่างเยอะนะอย่างนี้ก็เอาเอก็เป็นอย่างนี้ครับจะทายัางไง ผมจะได้แหวกออกมาอยู่อย่างนี้ครับต่อสู้ประจักษมาตลอดหลายสิบปีนะครับเพราะมันมันไปไม่ไหวครับ อ, อกมาทุกวันนี้พูด ง, ง่ายๆกันผู้ใหญ่ก็ยังไม่เคยชอบหรอกผมบอกทีว่าไม่ชอบไปจังเธอพระพุทธเจ้าชอบไปแล้วนะแล้วระลึกถึงคุณพนระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเนี้ยอย่างนี้แต่ว่ามันตัดกระแสคนนะืองทีนี่ ท่านจะไปองค์เดียวหรือไปช่องน้อยไปเนื้อเรียกกระสอบกันจะกลัวครับนะถ้าต้องเป็นอย่างนั้นยากนะครับมันยากมันยากกต่มันจึงดีทําที่ไหนมันอยากยากไหมมันไม่ยากเลยมันดีครับจะไปกลัวมันยากหรือปาง่ายง่ายมันง่ายมันมันดับเงานอนง่วงนอนนะไหนมันยากมันตามันดืมอยู่เรื่อยๆมันเกิดปัญญา อย่างนั้นเลยหมดทุกขัแ้วแต่ว่ามันมันก็ดูเอาแหลคะครับดูว่าเราจะไปโน่นยังไงจะไปถึงหรืมันจะใกล้ก็ไปไปดูว่าเราจะเราจะมาค้างอยู่โค ร, ราชเนี่ไปถึงกรุงเทพก็เอานะไม่ต้องะะไปถึงกรุงเทพแต่เรามุ่งไปกรุงเทพแต่มันไปติดจุูโค ร, ราชเลยนะเห็นโคราชสนุกก็เอาอยู่โค ร, ราชนียเนาะไปก็ได้ อย่างนี้บางทีก็เศร้าใจนะให้เราเป็นยังไงเนี่ยอย่นี้ฝืนนะครับมันฟื้นคนต้องฝืนออย่างนี้ก็ไม่เคยสบายนะเราเทศความจริงให้ฟังอย่างดีเลยนะเขาบอกฟังดีเหมือนกันฟังเหาะเหมอนกันแต่เขเดินกันก็เป็นบุบแ ม, ม่ท่านพูดอะไรมันผูกของาะท่านพูดอย่างแต่เราทําไม่ได้โอ้ยบุญดีงไงเราทำนน บ, บุญดีไงบุญดีหมดเลยนะ <S <S <S อย่างเราเป็นนายคนอบรมโยมจิตฟังม้ทำกบบผู้นี้ถูกแต่เราทาไม่ได้ตรนนี้ น, <ม>นี่มันตารฟังเทศน์หลายชวโมงเขาเขาตัวดีเขาแบฟังนี้ตั้งใจฟังออกไปเขาคุยมาแม่เขาพูดดีว่าเนืนนะ้เทศถูกแต่เราทำไม่ได้ก็หมดกันเน่เขาพูดคำเดียวมันคุ้มธรรมะเราเลยนะ ไม่รู้อะารจะไปต่อตายอะไรอีกมากมายแล้วนะอย่างนี้เ็ต้นบางทีก็ย่ำความเก่าอันแหละท่านอย่างประเทศนี้ทุกวันนี่ผมเคยสังเกตดูบางทีอืมลาบากนะไปในงานจังๆทำพิธีดีตองดีดีนะครับไหว้พระบอกรองอรัชนาถิน่อกรองอรัชนา เทพต่อครองนะแต่เราประกาศศีนไปแล้วนะดูผมเห็นว่ามองมองดูในข้างในนี่ว่าไปตามธรรมดาที่ว่ากันไปไม่ใครว่าเออนี่ศีลมันจะเอามันเอาไปขิจาาจริงจังจังๆกันชัค่มันเบานะพอเจ็บพระลงไปบิดบ้านคนบ้านนะคะเพิ่มบางทีเขานิมนต์ด้วย ท่านมีมวลเพศชนิดข้างในมีมวลจีนบางหวานไม่เคยได้ยินหรอกมีมนเพศสนิดแ น, ด น, นี้อัจมากฟังดูนึงโอ้ยเพศชนิดนี่นอัจฉมากราเทศไหคุณกินข้าวชนิดนี้มันอิ่มหมลององดูสิข้าวให้อะไรนิดึงคุณพอใจไว้อันนี้ไอ้ฟังคาเอาช น, นิดหนึ่งจะรู้เรื่องอะไรอย่างนี้สาธเตียนนานก่อนไอ้คนมาๆก่อน เออโยงโยงเราให้ทางแบกทางเลยเรื่องท่าจะออกมาแล้วได้พระแต่ง้องออ <c oughs> เราฟังดูมั้มันจะดีเหมือนกันเนาะอย่างนี้แต่ว่า น, นี่ก็ไม่มีอะไรหรอกถ้านักเทศจิตเทศเจ้านี้เมื่อมีความคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็จะพูดอย่างนั้นเหมือนกันกับเขานั่นเองนะสมัยว่าหรอกอันนี้ผูดเรื่องที่มันเป็นมาที่เราเมื่อไกลจากธรรมะในใะใพวกเรานั่นไกลหลา ย, ลาย วันนี้กันมมเยี่ยวไนคุยกับท่านบางคนโยมโยมมานั่งอย่างนี้ท่านอยากจะมาตรงนี้นี่ท่านไม่เคยได้มาตรงนี้อยากจะมาดีสดีนี่จมีเล่าเรื่องอะไรกันคน คนทําไร่ก็พูดเรื่องไร่คนทํานามาถึงกันก็พูดเรื่องทํานากันนะ <c oughs> นะักปฏิบัติก็จะเอาพูดอะไรก็พูดเรื่องปฏิบัติกันดังนั้นโยมเมื่อนั่งฟังก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> สังฆาธิเศษหนักแต่มันแก้ไขได้ไอ้ทุกวันนี้มันเป็นการหรือไม่เป็นก็ไม่รู้แต่ในทรา้าั่งปริวาิขึ้นเพื่อใจพระไปอยู่ปริวัาิออกจากสังฆาธิเสษ มองมองดูกขาู้เราสงสัยบ้างไลยสงสัยบ้างหรืออะไรบ้างเลยพี่โยมมันดีใจเฉยก็เลยสงสัยทีละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยไปแล้อยูอย่คริวาทกันสนุกสนานกันมากทีเดียวไม่ใช่ไปทําให้หายปรพยชศหรอกญาติโยมมาไปกันอยู่กันไปต่อไปกันลึกไปนึ ก, กวัดเราก็จะทําวัดกันไปทำวัดมันร่าอะไรอะไรต่างๆมันสนุกสนานกันในปริวาทเนี่ยเมื่อออกเมื่อไปอพาร์ตนะ ก็วปรกาศญาติโยมเหมือนกันมาให้กินเหตุทานพระท่านบริส <hi> ุท <hi> ธิ <hi> ์ท <hi> like ่านออกจากบาดมาพระบริสุทธิ์ยังมีหายากผมเนี่ยบอกว่าอันนี้คือไปเรี่ยงคนโทษออกจากกรงมาใหม่ๆเท่านั้นน่ะอเออเพอเออออ่าอเออเออเอะออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออออเออเออเออเอออ พอความคิดกันเ น, นีถ้าหากว่าถึนทํากันบ่อยๆครับอาวัตตังคาที่เสียจะเป็นอาวัตตุกดเดี๋ยต่อไปจะพูดเที่ยวหญิงก็ได้จะจับต้องตายญิงก็ได้แ น, น, นี่อออกพรรษานี่จะอยู่ปฏิวัติมันก็แล้วทำงา น, นเรีนอะไรต่อทนายเอาเยอะโจรมันก็มากขึ้นเท่านั้นแล <c oughs> หละฆ่าคนก็ไม่จิดตารางทําอะไรก็ไม่มีโทษเพราะทนายดึงออกไปเสียอย่างนี้อาวัตตังคาที่เสียนี่ครับหมดต่อไปนี่ครับ ไม่มีราคาไม่มีราคาจะมีราคาพอเพียงอาบัตทุบปดเท่านั้นทําไมหลวงพ่อไม่คิดอีกอย่างึงว่าสมมติปะตาที่เขาฆ้าไปบริวาทเนี่ยครับเขาเองเขามีความรับคือยอมรับว่าเขาที่ต้องทํำบาปครับซึ่งเขาปรารถนาที่จะทําตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ออกมาอแล้วหลวงพ่อไม่เห็นใจเขาด้วยหรือไม่ไม่เห็นใจครับส่วนนั้นมันน้อยกังนี้ไม่มีอะ ดูทีเธอว่าเราเนี่เราเรียนเราเรียนปริญาตกันสังฆาทิเศษอาปายทิฏฐิทางไหนนักธรรมนี่ครับมันสอนกันจนมันจะตายครับทำไมมันไปไปทํากันทั้งนี้หนึ่งนะอย่าเอาเงินเอาทองกันดลยถ้ามันไปเอาอย่าไปซื้อไปขายกันทํามันไปเอาอย่าไปทํามันนั่นทําไมมันไปเอากันอยู่เนี่ยอันนี้มันง่ายกว่านั้นครับไม่ควรมองเห็นตรงนั้นครับถ้าแสดงความจริงอย่าไปทําอย่างนั้นเลยครัมาพูดกันอย่างไรดีกว่าอย่าทําเป็นการใหญ่โตอย่างนั้นสิงครับ อย่างผมเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายอาจารย์สมคอบันนี้เอากันสงบสงบดีครับอย่างนี้ไอใครจะเป็นแดงจังมันอยู่ปริวาทวันนี้สองวันไปอยู่นั้นอยู่นั่นอีกแล้วครับนี่ไม่ไม่ดีนั่นเนี่ยอยู่นั่นเนี่ยที่ผมว่านี่ผมปราบพวกนี้ครับไม่ใช่ผกปราบพวกนั้นคไม่ใช่ผมให้โทษทั่วไปแต่รู้แรงเนี่ยต้องอยู่ปริวาสตะรอดแรงเลยโีนี่ออกไปสุดแล้วเรียนออกแล้วว่าบ่อยครับครับ ถ้ามีโอกาสได้ไปโพูดที่ไหนก็พยายามทำในพวกนี้ครับะไรพวกภริวาสอาชีพเพราะว่ามีรากสักการะเกิดขึ้นี่ะไปอยู่ที่นั่นทำการได้ถวะได้รับถวายจะถูกปัจจัยนะฮะเจ้าสํานักนึงเขาเที่ยวประกาศชวนญาติโยมมาช่วยบริจาคแล้วเขาได้มาก็แบ่งให้สานนี้นี่หน่อยหน่อยเขาก็เอามากๆเลยเดียวผมก็ว่าแต่ว่าในกรณีที่เราทราบที่ว่าตามพระินทรในพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่า เมื่อพิสูจมีการต้องอาบัตก็ควรที่จะออกจากอาบัตด้วยความบริสุทธิ์ของธรรมดีมซึ่งถราผมคิดฟาทยอย่างนี้ถ้ากขามไม่ น, าน่าจะทำนี่ก็เพื่ อ, อ, อทําื่ะสงค์เพื่อจะออกจากอามัตโดยครบไม่ใช่เพื่อยอย่างอื่นได้ครั บ, บแต่ผันเงินแต่อยู่ใน刹那ปฏิบัติผมมันจะไม่เคยหยกันเน่ยถ้าหากว่าผมเปลี่ยนนะผมไปยุติสงบนไปศึกษากรทาการค่อยส่งครอบกับในเพี่สงบี้ครับนี่ อย่างนี้มันจงะถูกแต่ผมก็ทำเหมือนกันแลวไม่ไม่ได้ว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่าก็ได้ไมเป็นไรว่าก็ได้ว่าเลยว่าเลยว่าเปเลยหลวงพ่อว่าผมไม่ต้องเกรงใจไม่ที่ผมกราบเทียนนี่ก็ผมก็มีลักษณะอย่างนี้คือเราไม่ได้โฆษณาไม่ได้ประกาศไม่มีการหาเงินหาทองเพราะว่าอยู่กันนิ่งเียครับนานแล้วผมไม่ว่าเล เว่าจะพวกนี้ปีหนึ่งครั้งเดียวออแล้วคอยสิเพื่อนนะครับเพื่อนในทางนี่ว่าชอบเที่ยวไปมากๆอะอย่างเงี้ยซึ่งอย่างนั้นมันกลายเป็นคนหน้าด้านนะออแต่คนไม่ละอายนะยยทําเท่าไหร่มันก็แพ้ไปเลยไม่หมดเห <c oughs> มือนใจโรงพยาบาลจะสร้างเติมต่ออีกเท่าไหร่ก็ไม่พอคนไตมันมากอื มันเป็นอย่างงี้ครับมัน<ช><ช>แอบอ้านเข้าไปอย่างงั้นแต่ผมขอบใจเขาที่ว่าเขามีความจริงใจฮะับความที่จะสร้างความบรอสุทธใจเกิดข<ช>ึ้นแต่ว่าไม่ชอบในกรณีที่จะจะเรียกว่าซับซ้องก็ได้มันมากเกินไป <c oughs> มันมากเกินไปที่อยากให้อภัยกันนะฮะแต่ก็ แต่พอแต่แต่แต่ก็ผมก็ทําอย่างพระฝรั่งที่เข้ามาทำไม่รู้เรื่องมันพลานมากะหยุดไว้นี่แต่ผมทำในผมแค บ, คบจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนงั้นอย่า ง, งนี้ง่ายนิถีไปวัดแต่โดยมากก็ไม่ใครส่งเสริมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นผู้โดยชนอย่างเตาเนี่แหละไม่เป็นอะไรเลยชนเนาะอืม ถ้าผู้ติชนมาบวชอย่างนี้มันกำลังตายนะมันที่เกิดใหม่อย่างนี้ก็เอาคนมาทํามันก็ยากเป็นธรรมดาของมันจะเกิดนที่สดแเอาเทขาเข้าสีทําได้กันสิที่ผมว่าผมว่าไปงั้นใครจะทํำได้ไหนก็เอาแค่นะเรียนค่ะเป็นการแต่ก็ฝึกการค่ะคือทำอะไรมัน มันดีทือก็ให้ให้ให้ให้เราวางทางดีทางชั่วเนี่ยมันก็ไปยากเนาะือดีก็จะไปติดมันเลยชั่วก็จะไปติดมันปล่อยวางมันไปไงเอนก็ไมใช่เราเดียวนี่นะเนาะถ้ามันเป็นได้ก็เป็นคนคนอื่นแล้วมันช่คนคนนี้ล่ะเอออย่างนั้นมันก็จริงนะทาไมนั่นถึขาดไห้เพราะเราไม่มีจะ้งขัดทั้งนั้นอยู่ไอ้กว่าเห็นมันปิดทั้งหมดขาดจีอย่างเราบวชสมาบวชสมาเป็นพระ มันเป็นพระสมมุิเท่านั้นเนี่ยเหมือนกันทีนี่ไม่มีเกลือนะจะมีทรายอยูกองหนึ่งกาเกลือม า, อมม า, ายที่สมุติว่าทรายเนี่ยสมุดว่าเกลือนั่นเนี่ยมันก็เป็นเกลือให้เรานะมันเป็นเกลือโดยสมมุิแต่ว่าไปใส่อาหารมันไม่เค็มนะมีทรายมันเป็นทรายมันสมมุดว่าเกลื อ, อนนเท่านั้นนะมันเป็นเกลือเราบวชสมาก็เหมือนกันแสมมุดมันเป็นพระมันพระจริงๆมันยังไม่เป็นมันเป็นสมมุติ เหมือนเนิมเกลือไอ้ทรายกองนั่นเน่ะสมมุติแบบเกลือมก็เป็นให้สมมุติแกไปใส่ประโยชน์มันเกลือมันไม่ได้ไม่เข้มจำเป็นในจงหาเกลือจริงๆมาอย่างนี้มันก็ยากเราไปพู้ติชนในเราเดินไปอย่างนั้นมากกั้นทวนกระแสน้ํานะทวนกระแสน้ําถ้าใคมีบุญวาสนาบารมีก็พยายามไปมันพ้นอย่างนั้นได้ไงก็ถอยมันไม่น่าจะไปแล้วไม่ใช่น่าที่คนจะไปตรงนั้นน่ะ มันก็มันลำบากอย่างนี้อย่างนั้นนักปฏิบัติของเราก็อยากจะได้ดีอยู่จะให้ทำดีมันไม่กล้าจะทาอยากจะทำที่ไม่ดีให้มันได้ดีนั่นแหละยิ่งจะทำกันนั่นก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ตามใจเราอะธรรมะมันจะตามใจใครต่งนั้นมันความจริงมันก็ไปคนในอย่างอย่างั้นถึงที่เป็นครูเป็นอาจารย์มาบวช นะสอนลูกศิษย์เป็นคนที่สร้างอกตังใจนะลูกศิษย์มากราบพระสงฆมาขออยู่ปฏิบัติด้วยอย่างนี้ก็รับเขาไหว้แต่มาโยแ ล, แล้วบอกปฏิบัติก็ไม่ฟังถ้าไม่ควรจะทำตามนี้แล้วปลูกลงไปสองต้นเขาถอนอีกต้นหนึ่งถอนดีเรื่อๆอย่างนั้นคนหนึ่งตลูกคนหนึ่งถอนว่าเนี่ยมันจะไปนะอย่างนั้นเ็เบื่อเถอย ฮอมันชอบจะเป็นอย่างนั hmm. ín, like ้นอืขนาดรุ่นรุ่นนี้มาแล้วนะมีแต่สอนมนุษย์สอนลูกศิษย์ยิวธรรมะถ้าออกจากวัดไปปรึกษากันีก็สบายมีอะไรกันใจหลายอย่างแค่แค่เกิดใหม่ขึ้นมาได้ครอบคิดอย่างนี้ก็อยู่แต่วัดมีแต่เราสอนคนนี่จะมีเวลาสอนเรานี่มันน้อยอย่างนั้นแต่มาได้ปรึกษากันนี่ก็สบายอย่างอาจารย์จำเนียนปากใต้มาอยู่อ่าดูสิ อยู่บ้านนีวุ่นอยู่ในวัดขึ้นมาหาต่อมากราบหลวงโยมโยมค้านี่ออกจากตารางมานะเนี่ย <c oughs> ออกจากตารางมามาสงบสท่านจาถูกจุดเด้่อเกินแล้วเนี่ยที่ออกจากลูกศิษย์มามันหายวุ่นนะ <c oughs> ให้ให้ท่านอยู่ตามสบายนะครับน่าอยู่ปฏิหลังแล้วอยู่ตามสบายแหมดูสึกว่าท่านอยู่ไม่กี่วันท่านอ้วนเป็นเรื่งสบาย รู้เรียกว่ามันอยู่อยู่ในตารางมันประสาทมัน ต, นตึงอยู่ด้ว ย, เ, ยเกตารู้สิตุกหาวันโยงจะมีลูกมากมากกนะั น, นแล้วไปโรงเรียนพ่อขอจ้างให้ห้าบาทไม่เอาจะเอาแปดบาทใครก็จะเอาอย่างงั้นนี่แหมะเกิเป็นโดเกตศาสตร์อะไรเนาะมันยุ่งอืมถ้ า, ารสมาวัตอย่างนี้นานๆสมาวัตนั่งในเรียมันจสบายมันปล่อยไนดะ้อย่างนี้ เกวสีพัดก่อน